มีชายไร้บ้านนะคนหนึ่งเนี่ยจะก็นั่งอยู่บนฟุตบาทคล้ายๆจะกำลังขอทานนะอันนี้เกิดขึ้นที่ในอเมริกาท่าทางก็ยากจนนะจึงนั่งขอทานจู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยวิ่งผ่านมาคงจะรีบนะเป็นชายหนุ่มแล้วก็เผลอทา โทรศัพท์มือถือตกหล่นตรงหน้าชายไร้บ้านคนนั้นชายไร้บ้านคนนั้นเนี่ยแทนที่เห็นเมื่อเห็นโทรศัพท์ตกเนี่ยซึ่งราคาแพงมากคงเป็น i p h o น e ะ น, นะรุ่นใหม่แทนที่จะดีใจนะแกก็พยายามเรียกนะตะโกนให้ชายหนุ่มคนนั้นรู้ว่าโทรศัพท์เนี่ยหล่น แต่ชายนั้นก็ไม่ได้ยินนะชายไร้บ้านก็เลยไม่รู้ทำไงนะโทรศัพท์ตกอยู่ข้างหน้าจะเรียกว่าส้มหล่นก็ไม่ถูกนะเพราะว่าทำท่านี้ไม่อยากได้เลยลก็เลยเก็บเอาไว้สักพักเนี่ยชายหนุม่มที่ทำโทรศัพท์ตกที่นี่แกก็วกกลับมานะแล้วก็ มองหาโทรศัพท์พอเดินผ่านพอเดินมาถึงนะชายไร่บ้านเนี่ยชายไร่บ้านนี้ก็เรียกเลยนะแล้วก็ยื่นโทรศัพท์ให้ว่าเนี้ยเมื่อกี้คุณทําตกนะเจ้าของโทรศัพท์ก็ดีใจนะนะดีใจที่ได้โทรศัพท์คืนแล้วก็ซาบซึ้งน้ําใจมาก ก็เลยยื่นเงินให้เงินที่ว่านี้ก็ใส่ซองนะทีใช้ไล่บ้านนี้ก็รับซองไปพอเปิดซองครับผก็กลายเป็นเงินเงินจำนวนมากเนะี่ยก็ประมาณสักร้อยดอลลาร์ได้ตกใจมากเลยนะเพราะว่าไม่คิดว่าจะได้เงินมากขนาดนั้น ซาบซึ้งจนกระทั่งร้องไห้เลยนะสักพักเนี่ยชายหนุ่มคนที่ยื่นเงินมาให้เนี่ยแกก็กลับมาแล้วก็มากอดชายไร้บ้านถึงตอนนั้นชายไร้บ้านก็เลยรู้ว่าเนี่ยอันนี้เป็นการจัดฉากนะมีคนเนี่ยตั้งกล้องรอถ่ายภาพเหตุการณ์เพื่อที่จะดูว่าเนี่ยเมื่อคนจน อย่างชายคนนี้มีลาบเนี่ยหล่นมาอยู่ข้างหน้านี้คือโทรศัพท์มือถือเนี่ยจะทำอย่างไรจะเก็บใส่กระเป๋าหรือว่าจะหาทางคืนเจ้าของแล้วก็พบว่าเนี่ยชายระบาดคนเนี้ ย, ย, นนยมีความซื่อสัตย์แม้ยากจน นะแม้ต้องขอทานนะแต่ว่าเมื่อมีทรัพย์สมบัติของใครตกอยู่ข้างหน้านี่ก็ไม่คิดจะเอามาเป็นเจ้าของแล้วก็พยายามหาทางคืนแล้วก็ไม่ได้หวังผลตอบแทนนะเพราะฉะนั้นพอได้ผลตอบแทนนีแกก็ตกใจมากนะอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องราวในคลิปนะที่เขาแพร่หลายกันซึ่งเหมือนก็นจะบอกว่าเนี่ย แม้จนนะแต่ก็มีน้ำใจมีความซื่อสัตย์ซึ่งที่จริงเนี่ก็ตัวอย่างมันก็มีเยอะนะอย่างเคยมีคนเนี่ยเอาพิซซ่านะกล่องใหญ่เลยนะไปให้กับคนได้บ้านที่ขอทานอยู่นะคนนนก็ดีใจเลยนะเพราะว่าหิว สักพักก็มีคนมาขอขอแบ่งหน่อยนะวันนี้ฉันไม่มีอะไรกินเลยให้ชายและบ้านก็ให้นะแบ่งให้เลยครึ่งครึ่งเลยนะเอาไปเลยนะครึ่งหนึ่งคนที่มาขอ น, นี่ก็ดีใจมากแล้วแกก็เล่าว่าเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเคยไปขออาหารขอเงินขอของกินจาก คนแถวนั้นเน่ซึ่งก็เป็นนักธุรกิจเป็นพนักงานธนาคารต่างๆผู้นี้ก็มีเงินนะแต่ไม่ได้เลยครั้นมาขอจากชายไร้บ้านขอจากขอทานนี้กลับได้นะอันนี้มันก็นะเป็นอ่เป็นเรื่องราวนะที่มีคนเขาตั้งใจนะที่จะ อัดถ่ายไว้ว่าเนี่ยถ้าไปขอเงินจากคนพอมีเงินเนี่ยจะสำเร็จไหมหรือถ้าไปขอเงินจากคนยากจนจะได้ผลไหมเพาขอจากคนยากจนนี่เนี่ยมีโอกาสได้มากกว่าเรื่องแบบนี้เราก็คงได้ยินบ่อยๆนะว่าคนที่อ่ายากจนนะเขามีน้ําใจแม้ว่า จะไม่รู้ว่าจะมีอะไรกินหรือเปล่านะในเช้านี้ในทางตรงข้ามนะคนที่มีเงินหรือว่าพอมีฐานะเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยนะก็จะไม่ค่อยมีน้ำใจเท่าไหร่มีใครมาขอก็จะปฏิเสธอันนี้ไม่ใช่ที่อเมริกาอย่างเดียวนะที่อื่นด้วย นะเมืองไทยก็คงเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแล้วคนที่ปริเสธนะบางทีก็หรือคนที่ร้ายน้ำใจบางทีก็ไม่ใช่ใครนะบางทีก็อาจจะเป็นคนวัดหรือว่าคนที่เค ย, ยันทำบุญก็ได้เคยมีครอบครัวหนึ่งนะพ่อแม่รู้แล้วก็เพื่อนประมาณสัก4ห้าคนนะไปถวายจังหันที่วัด แห่งหนึ่งนะซึ่งมีหลวงตาที่มีคนเคารพนับถือมากเช้าวันนี้คนก็มาถวายจังหันเนี่ยเป็นร้อยเลยนะแล้วก็จนไม่นอนเนี่ก็ขับรถมาครอบครัวนี้เนี่ยก็ไม่มีรถส่วนตัวนะแต่ว่ามีเพื่อนบ้านเนี้ยพามาส่งแล้วก็กลับพอถวายจังหันเสร็จก็ทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านครอบครัวนี้ก็ เดินนะเดินจากวัดเนี่ยเพื่อไปขึ้นรถเมนะซึ่งมันก็อยู่ห่างนะเพราะว่าวัดนี้ก็อยู่ในอยู่ในทางย่อยนะต้องเดินจากวัดเนี่ยไปถึงทางใหญ่เนี่ยมันก็เป็นกิโลนะแดด ก, ก็ร้อนคนแก่ก็เดินกระโกกเผกแถมมีคนพิการอยู่ด้วยก็มีรถนะของคนที่มาทำบุญเนี่ยเดินวิ่งผ่านไป คันแล้วคันเล่าคันแล้วคันเล่าแต่ไม่มีใครมีน้ำใจเลยนะที่จะชวนนะให้คนแก่หรือคนพิการในกลุ่มเนี้เข้าขึ้นรถเลยทั้งที่หลายคันนี้ก็มีที่ว่างเป็นรถกระ บ, บะก็ปล่อยให้คนแก่คนพิการเดินฝ่าแดดกว่าจะไปถึงสนใหญ่ก็เป็นกิโลไอภาพแบบนี้เนี่ยมัน จริงมันไม่น่าเกิดขึ้นน ะ, ะในหมู่คนที่มาทำบุญนะเพราะว่าถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยนะในหลายประเทศเนี่ยนะเจอคนเดินแบบนี้นี่ก็จะมีคนมาจอดรถแล้วก็มาถามว่านี่จะไปไหน <S <S 1> <S 1> บางทีก็อาสาขับรถไปส่งด้วยแต่ว่า คนเหล่านี้บางทีก็คนที่มีน้ำใจบางทีก็ไม่ได้เป็นคนวัดเป็นคนขยันทําบุญนะ่นที่คนขยันทําบุญเนี่ยอุตส่าห์ไปหาไปถวายจังหารกับพระที่มีชื่อเสียงเนี่ยแต่ว่าไม่มีน้ําใจให้กับคนที่เขาลําบากนะคนแก่คนพิการซึ่งก็ไม่ได้มีท่าทีว่าอันตรายอะไรเลยนะไม่ใช่ว่าเป็นคนหนุ่มนะที่ถ้าเกิดเอาขึ้นรถแล้วเดี๋ยวอาจจะเกิดอันตราย แต่นี่ก็เป็นคนแก่คนพิการก็เดินก็ย่องก็แย้งก็ย่องก็แย้งกลางแดดที่ร้อนแรงเนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์เล็กๆนะแต่มันก็แสดงเห็นว่าทำไมคนเราไม่มีน้ำใจนะแล้วคนที่ไม่มีน้ำใจนี่ก็เป็นคนที่มาทำบุญด้วยนั่นทำบุญเนี่ยนะอย่าทาบุญกับพระอย่างเดียวนะมันก็ต้องคิดถึงการมีน้ำใจกับคนที่เขาเดือดร้อนแม้จะไม่ใช่พระเป็นแต่เป็นคราวาสแต่เขาก็อยากจนเขาอาจจะ แกแม้ พ, พิการหรือแม้แต่คนธรรมดานะที่แม้จ ะ, ะสุขภาพดีแต่ว่าถ้าเราเห็นเขาลำบากเขาเหนือ่อยแล้วก็น่าช่วยเขานั้นเตือนใจอยู่เสมอนะมาทำบุญเนี่ยนะอย่าคิดแต่ทำบุญกับพระหรือทำบุญที่วัดอย่างเดียวนะนะต้องมีน้าใจให้กับคนทั่วไปด้วยนะเรื่องราวที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยนะคนไร้บ้านพวกนี้เาก็ไม่ได้เป็นนักทาบุญนะ อาจจะไม่ใช่เป็นนักปฏิบัติธรรมหรือไม่สนใจเข้าวัดเลยแต่ว่าเขาก็มีน้ำใจเห็นใครทําเงินตกนะก็ไม่เก็บไว้แต่พยายาม่จะตามหาเจ้าของนะหรือว่าใครมาขอก็พร้อมจะช่วยแม้ตัวเองอาจจะขาดแคลนอันนี้นีะหมายถึงความมีน้ำใจหมายถึงความซื่อสัตย์สุดจริตนะซึ่งแม้กระทั่งคนยากคนจนนี่เขาก็มีสิ่งนี้ไม่น้อยเลยในอะดี่คนที่มีเงินเนี่ยกับ ขาดแคลนหรือแบบบกพร่องไปอันนี้บางทีก็รวมไปถึงนักปฏิบัติธรรมหรือคนที่มาทําบุญที่วัดด้วย